ใจภาวนาเห็นกิเลสบ่อยขึ้นบ้างละตอนนี้มีไม้มคนไหนรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมีไห ม, มคนไหนรู้สึกว่าถือศีลง่ายขึ้นทํามทสมาธิง่ายขึ้นมีไหมแยกธาตุแยกขันได้คนไหนแยกได้บ้างโอ้ากเยอะนะท <c oughs> ีนี้เราวัดความก้าวหน้านะในบทสวดมนต์มีบทบทธรรมคุณ ปัจจต่างเวทีตะโพวินยูฮิวินยูชนรู้ด้วยตนเองเราเห็นด้วยตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างบางคนเคยใจแคบเห็นแก่ตัวมากแล้วก็ใจกว้างขึ้นรู้จักอภัยคนอื่นรู้จักให้คนอื่นรู้จักสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ดีขึ้นเคยไม่มีศีลรักษาศีลยาก ภาวนาแล้วรักษาศีลง่ายนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เรารู้ด้วยตัวเองบางคนทำสมาธิทำไงก็ไม่สงบมาฟังทำนะหัดเจริญสติไปตอนนี้ทำสมาธิง่ายไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแนละ้วไม่เคยเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันรู้จักแยกธาตุแยกขันทนี่เรามีพัฒนาการนะ ถัดจากนี้ถัดจากการเจริญปัญญาไปก็คือวิมุตินั่นแหละเราสํารวจตัวเองเราเดินมาได้กี่ก้าวแล้วเรามีฐานเรามีศีลเรามีสมาธิเรามีปัญญามันแก่กล้ามันเพิ่มพูนขึ้นตามวันตามเวลาที่พวกเราฝึกฝนตัวเองหรืออีกก้าวเดียวก็ถึงวิมุต tn ะอีกก้าวเดียวถัดจากการเดินปัญญา เดินมาได้ตั้งหลายเก้าแล้วอดทนนะอดทนนะพยายามพักเพียรไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางดูจิตได้ดูจิตไป ด, ดูจิต ไ, ไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบทําสมถะไว้ก่อนสงบก็ไม่ได้ ก, ก็อย่าให้ผิดศีลรักษาศีลไว้ก่อนเนะี่ยมีขั้นมีตอน ศีล ส, สมาธิปัญญาของเราแก่รอบวิมุตไม่หนีไปไหนวันหนึ่งเราก็จะเห็นแจ้งการเดินปัญญาเนี่ยเป็นการพาจิตให้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจพามันเรียนรู้รูปนามกายใจว่าจริงๆเป็นยังไงให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจวันใดที่จิตยอมรับความจริงวันนั้นแหละจิตเข้าถึงธรรมะนะจิตของเราปฏิเสธธรรมะ ธรรมะบอกไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงธรรมะบอกเป็นทุกข์อยากให้เป็นสุขธรรมะบอกไม่มีตัวมีตนอยากให้มีตัวมีตนจิตเราปฏิเสธธรรมะเองพาจิตมาดูของจริงในกายดูของจริงในใจเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจแรกๆจิตยังยอมรับไม่ได้มันฝืนความรู้สึกอย่างร้ายแรงบางคนเศร้าใจเลยเศร้าเศร้าใจ ว่าตัวเราหายไปบางคนกลัวบางคนรู้สึกเวิ้งว้างวังเวงรู้สึกตัวเราหายไปแย่แล้วตัวเราหายไปอันนี้เพราะเรายังไม่รู้ความจริงถ้าตัวเราหายไปจริงๆก็คือความทุกข์หายไปแต่เรากลับรู้สึกว่าของดีหายไปงั้นเราพาจิตนะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตพาจิตมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ วันใดจิตยอมรับความจริงของรูปนามกายใจวันนั้นแหละได้ธรรมะจิตยอมรับความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจนะั้นเกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเลยเนี่ยแค่เข้าใจตรงนี้นะคือพระโสดาบันเพราพระโสดาบันนะท่านเข้าใจความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดนั่นแหละดับเป็นธรรมดา จิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันนี่พวกเรากำลังพาให้จิตเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามอยู่นะวันใดที่เขายอมรับได้เราก็จะได้ธรรมะแนละ้วเข้าสู่ฝั่งของโลกุตตรนะฝั่งของวิมุตติของโลกุตตระ ไ, ได้เห็นนิพพานและพบ ว, ว่านิพพานนะั้นจริงๆมีอยู่ต่อหน้าต่อตามาแต่ไหนแต่ไรนิพพานไม่ใช่ของเกิดใหม่ ไม่ใช่ของเก่าคล้ำคลานิพานมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตาไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่จิตเราเองไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นเพราจิตของเราโง่วันใดจิตยอมรับความจริงว่ารูปนามกายใจขันห้านี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนจิตยอมรับได้ทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับได้นี่ได้เห็นนิพพานครั้งแรกล้ได้เป็นพระโสดาบัน พระโสดา บ, บันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นนิพพานนะเป็นพระโสดา บ, บันปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเลยเพราะปุถุชนนั้นหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงว่างว่างความปรุงมีสามารปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกว่าปุญญ า, า, าพิสังขารปรุงว่างว่างเรียกอเนชาพิสังขารความปรุง รับใดที่ย in ังปรุงอยู่ก็ไม่เห็นธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งคือพระนิพพานเมื่อไหร่จิตพ้นจากความปรุงแต่งจิตก็เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นนิพพานนี่จิตจะหมดความปรุงแต่งได้ไม่ใช่ไปปรุงแต่งมันมากขึ้นอย่างมันปรุงชั่วแล้วก็ไม่เอาจะเอาปรุงดีปรุงดีมันก็คือปรุงนั่นแหละบางคนว่าดีไม่เอาชั่วไม่เอาปรุงว่างๆปรุงไม่เอาอะไรเลย อันั้นก็เป็นความปรุงอีกชนิดหนึ่งชื่ออาเนชาที่สังขารนี้ไม่พ้นความปรุงอยู่ดีจะพ้นความปรุงได้นะต้องเห็นความจริงจิตยามรับความจริงของรูปนามแล้วไม่ปรุงต่อเช่นมันรู้ความจริงว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับงั้นความสุขยังไม่เกิดก็ไม่ปรุงให้เกิดความสุขเกิดแล้วก็ไม่ปรุงรักษารู้ว่ามันของดับความทุกเกิดแล้วก็ดับนี่จิตยามรับความจริง งัก็ไม่ปฏิเสธความทุกข์หรอกความทุกข์มีเหตุความทุกข์ก็มานะไปห้ามมันก็ไม่ได้ความทุกข์มาแล้วไล่มันก็ไม่ไปจิตเป็นกลางกับมันจิตไม่ปรุงต่อมีความสุขก็ไม่ปรุงต่อมีความทุกข์ก็ไม่ปรุงต่อจิตเป็นกุศลก็ไม่ปรุงต่อจิตเป็นอกุศลขึ้นมาก็ไม่ปรุงต่อเมื่อมันไม่ปรุงนะมันพ้นจากความปรุงไปนี่จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงคือเห็นนิพพานใช่ไหมตอนหลวงพ่อหยุดพูดพวกเราปรุงกี่เรื่อง นึ่ออกไหมใจเข้าไปทํางานนึกออกไหมไม่ใช่คิดเฉยๆนะใจเข้าไปทํางานด้วยนะเข้าไปปรุงเข้าไปดิ้นเข้าไปเสพอารมณ์ในะครรู้ทันไปได้่อยๆนะวันหนึ่งก็พ้นไปมันไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้หรอกแต่ต้องอดทนเคยมีผู้ใหญ่คนนะญาติๆกันบอกว่าให้มีสติไว้มีสติไว้อยฉันมีไม่ได้หรอก ไม่ใช่เทวดาเราก็นึกเทวดาก็ไม่มีสตินะไม่ใช่ว่าเทวดามีสติเมื่อลรนะอยู่ที่เราหัดเนาะนะถ้าเราหัดเราภาวนามีสติเป็นมนุษย์มีสติถ้าเทวดาหัดเทวดาก็มีสตินะโฟมหัดโฟมก็มีสตินะสัตว์นรกหัดไม่มีทําไม่ได้สัตว์ในใบยภูมิฝึกไม่ได้จิตไม่พร้อมไม่มีคุณภาพพอ อย่างคนกำลังทุกข์มากๆากภาวนาไม่ไหวจิตกาลังตกนรกอยู่กําลังโลบมากๆาภาวนาไม่ไหวจิตกาลังเป็นเปรดอยู่ทิฐิมาน้ำมากภาวนาไม่ไหวนะกูเก่งกูเก่งอยู่นะนะั่นแหละพวกนี้อสุรกายพวกฟุ้งซ่านใจลอยไปพวกนี้เดรัจฉานภาวนาไม่ไหวจิตมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายที่นี่แหละเหมาะกับการภาวนา าการภอวนาจ ร, จริงเราต้องการให้เห็นไตรลักษณ์เห็นทุกอย่างเกิดระดับจิตมนุษย์นี่หมาะที่สุดเลยจิตของสัตว์นรกมีแต่ทุกข์นะทุกข์ยืนพื้นแล้วไม่เห็นมันจะเกิดดับเลยจิตเทวดาก็มีแต่ความสุขยืนพื้นเลยไม่เกิดดับจิตของพรหมสงบยืนพื้นเลยไม่เกิดดับดูยากนะจิตสัตว์เดรัจฉานก็หลงไปดูไม่เป็นนะจิตเปรตก็โลภไปเลยมีแต่โลภโลภโลภมีแต่อยากยหิวโหยตลอดไม่เกิดดับดูแล้วไม่เกิดดับดูยาก จิตของพวกเรานี่แหละมนุษย์ธรรมดานี่แหละเกิดดับไวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีสติตามรู้มันเรื่อยไปนี่แหละการปฏิบัติเห็นในเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะตามดูอย่างนี้เรื่อยไปเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกายเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจนี่แหละการเดินปัญญาสุดท้ายจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับ ก็จะได้โลกุตตะระนะข้ามโลกไม่ยากเกินไปเหมาะธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมาะกับมนุษย์ที่สุดเลยนะง <_ d ata> ั้นพวกเราก็มนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเวลาภาวนามนุษย์ธรรมดานี่แหละชอบดัดแปลงจิตของตัวเองให้ผิดธรรมดานี่จิตของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราไปดัดแปลงให้จิตมันนิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะไปเอาจิตของพรหมมาล ะ, ะเดินปัญญายาก หรือแม้ฝึกนะจะเอาความสุขอยากให้มีแต่ความสุขนั่นจิตเทวดาหรอกภาวนาลำบากในะจิตมนุษย์นี่แหละดีรุ่มรุ่ ม, มดอนดอนเห็นความเปลี่ยนแปลงง่ายนะงั้นภูมิใจนะที่เป็นมนุษย์ในพระไตรปิฎกอสอนไว้บอกเวลาเทวดาจะตายเพื่อนจะมาว่วยพรตั้งใจไว้น้าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พวกเราพอจะตายตั้งใจไว้น้าไปเกิดในสวรรค์ ตั้งใจใหม่นะตั้งใจใหม่ตอนนี้เป็นมนุษย์ละเป็นมนุษย์แล้วภาคเพียรใช้สิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีซึ่งพบภูมิอื่นมีสู้เราไม้ไหวมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงผู้มีใจสูงใจอย่างนี้ดีที่สุดเลย <c oughs> ใจสูงว่าเพทรุ่มรุ่มตอนๆนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดยวีเดี๋ยวร้ายดีที่สุดเลยนะจเจริญปัญญาได้ใจสูงด้วยศีลสมาธิปัญญาได้ ภูมิเนนเจริญปัญญายากนิดนึงนะแต่ว่าพวกเทวดาภาวนาเยอะนะเทวดาภาวนาเยอะพรหมภาวนาเยอะเพราะว่าเป็นอย่างพวกเรานี่แหละภาวนามาแต่เป็นคนแล้วก็ยังไม่จบไปทําต่อข้างบนได้นะคนไปทําต่อข้างบนอันนี้ไม่ได้พูดเองหรอกในพระไตรปิฎมีมีพระพุทธเจ้านะตรัสรู้แล้วท่านขึ้นไปเยี่ยมพรหมเยี่ยมพระพรหมสุดถาวาร พวกโรมก็มาเฝ้าออ ก, กันเยอะแยะเลยนะก็มารายงานตัวนี่ผมนี่แหละนะได้พระนาคาสมัยพระวิปัสสีอะไรเนี่ยองค์นี้ได้พระนาคาตั้งแต่พระสี่ขี่อะไรเงี้ยไลนะ่พวกนี้ภาวนามานานนะเขาได้มาก่อนแต่ถ้าเราจุดสตาร์ทนะมนุษย์นี่แหละสตาร์ทดีที่สุดเลยภานะวนาเขาพอไหวไหม่มนุษย์ธรรมดา อย่าดัดแกลงตัวเองให้ผิดธรรมดาสะก่อนอเสียของดนะีของดีก็คือของแปรปลวนนั่นแหละของดีเพราะว่าความจริงมันอยู่ตรงนั้นนะเอกต่อไปตรวจกันบ้านใครไม่จำเป็นก็ไม่ต้องส่งนะก็ส่วนใหญ่ยังกดยังกดไว้อยู่จ้ะค่ะรู้ทันเอาน ะ, ะช่วงนี้ก็หัดนั่งให้มีสมาธิบ้างแล้วก็หัด รู้ทันความคิดแล้วก็หัดแยกรูปแยกขันธ์ะนะทำไปเถอะดีหลวงพ่อจะแนะนำอะไรไหมคะที่ว่ามานั้นก็ถึงนิพพานแล้วนะวันนี้คลายขึ้นค่ะหลวงพอ่อคลายจากข้างในออกมาเยอค่ะนะแต่ว่ามันยังไม่โปร่งอะค่ะมไม่โปร่งไม่เป็นไรเป็นกลาง เคล็ดลับเลยนะอยู่ที่เป็นกลางูมไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเข้าถึงความเป็นกลางนะสภาวะทั้งหลายไม่มีบในยะกับเราเลยเทพพรหมหรือใครวิเศษวิโสแค่ไหนทำไรไม่ได้เลยถ้าใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางจริงถ้าใจเรากลัวหรือใจเราอยากมีความอยากขึ้นมาใจมันจะดิ้นนะเสียสมดุลไปแล้วนี่แต่ถ้าใจเราเป็นกลางนะใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันความอยากดับใจเป็นกลาง สภาวะทั้งหลายเสมอกันหมดเลยน ะ, ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่าหมดละคนมาอยู่วัดไม่ส่งกันบ้านส่งอะไรกันนักหนาเมื่อวานนะมีเรื่องดีปรากฏขึ้นเมื่อวานหลวงพ่อเลิกได้ตอนเก้าโมงครึ่งตัยกันบ้านหมดห้องแล้วนะมีคนยกมือไม่มากยกตามความจำเป็นห้าหกคนเองนะเป็นตัวอย่างที่ดี อ้าใครมาไกลเอาใครมาไกลแล้วจำเป็นต้องส่งกันบ้านมาไกลๆนะมาจากไหนเชียงใหม่เชียงใหม่ข อ, อการให้ลูกชายโตขึ้นเยอะเลยจำไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็แบบว่ามันก็กลับมารู้สึกตัวมากขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะช่วงหลังๆมามันแบบรู้สึกทำอะไรก็จะรู้สึกกลับมาหาตัวเองได้ มากกว่าเมื่อก่อนเนี้ยครับแต่ว่าส่วนใหผมจะรู้สึกกายมากกว่าได้รู้สึกกายเป็นนะก็จะเกิดสติสมาธิปัญญาปัญญาก็คือเห็นไม่มีตัวเรารู้สึกจิตเป็นก็จะเกิดสติสมาธิปัญญาเห็นไม่มีเราอีกอันเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นถนัดรู้กายรู้กายไปเลยนะไม่เป็นไรเรียนจบหรือย่างเนี้ยจบปีนี้ครับเออดีเก่ง แต่บางครั้งเวลาเราเห็นกายคำหลวงพ่อบางทีครั้งแรกที่ความรู้สึกแรกที่เห็นมันจะเห็นเป็นรูปกายของเราแล้วสัญญาเราเข้าไปแปลว่าของเรานะเป็นตัวเราขึ้นมามันจะเห็นเป็นแบบเรากาลังยกขยับอะไรครับแต่ว่าเห็นรูปมันไม่รู้สึกเป็นเราหรอกขณะจิตแรกนะที่รู้สึกจะรู้สึกเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งนั่นแล้วเสลใจเนี่ยเข้าไปหมายของว่าเป็นเรางั้นถ้าสติเราเร็วนะจะเห็นรูป เห็นตัวนี้มันขยับมันไม่ใช่เราขยับแล้เห็นตัวนี้หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนไปฝึกนะบ่อยๆดีแล้วล่ะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมันก็จะยอมรับได้มากขึ้นนะครับ <S <S 2> <S 2> สังเกตไหมถ้ายอมรับได้ใจไม่ดิ้นรนครับสังเกตไหมถ้าใจไม่ดิ้นรนไม่ค่อยทุกข์ร งั้นถ้าเมื่อไรเราพ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความปรุงแต่งนะจะพ้นจากทุกเวลาพระชักบางสุกุลเคยได้ยินไหมเตสังมูปสมัสโมสุขโขสังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายนะสงบจะได้เป็นสุขคือถ้าไม่ปรุงแต่งนะก็ไม่ทุกหรอกนะดูออกหรยังตรงนี้เห็นบ้างไหมว่าถ้าเข้าไปปรุงแล้วทุก ใช่ครับถ้าเกิดเรายอมรับมันก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นเหตุการณ์หรือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งนี่นั่นแหละที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้จิตยอมรับปรากฏการทุกอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏการทางรูปธรรมปรากฏการทางนามธรรมาถ้าจิตยอมรับได้จิตจะไม่ทุกข์อีกแล้วปรากฏการนั้นจะไหลผ่านไปเฉยๆนะแต่จิตไม่เข้าไปเกาะดูออกไหมตรงนี้ดูออกครับเต้องภาวนาต้องให้ได้อย่างนี้สิไม่เสียชาติเกิดหรอก <laughs> ขอบคุณครับแม่แม่หายขี้แยยังยดีขึ้นครับแม่ดีขึ้นนะลูกเดี๋ยวนี้ตัดสินพ่อแม่ได้เด็กเดี๋ยวนี้มันเรียนเยอะรู้หลักดีหลวงพ่อดีใจด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าต่อไปต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อตามความจําเป็นเบอร์สองร้อยเชิญครับหลวงพ่อครับ ผมก็ปฏิบัติมานานพอสมควรครับทีนี้ก็จะส่งการบ้านสักสามข้อครับการบ้านอันแรกคําถามอัแรกนะครับก็ถามว่าพอเวลาเมื่ อ, เ ม, อเมื่อเราเห็นพบนะครับในส่วนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทวนเข้าไปดูนะครับก็เห็นใจอันนี้เขาเรียกว่าใจเห็นใจใช่ไหมครับอะไรนะ<อ>จิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งนะครับตรงนี้แจ่มแจ้งเนี่ยแจ้งด้วยปัญญานะตอนนี้เราเห็นด้วยสติ S <S เห็นสภาวะของมันนี่เห็นด้วยสต <S 2> <S 2> ิถ้าเห็นแจมแจ้ง <S <S นี่เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นไตรลักษณ์ของคุณตอนนี้มันเห็นด้วยสติครับคําถามที่2นะครับก็คือว่าอันนี้เป็นควาคือเป็นความรู้นะครับประกอบเรื่องประกอบในการปฏิบัตินะครับเมื่อเราเห็นอริยมรรยพนนะครับอริยมกกรรยพนนะครับความหมายของผมนี่ก็คือว่า เราเกิดได้บ่อยๆในเรื่องของอริยมรรคแต่อริยผลนี่สี่ครั้งใช่ไหมครับอริยมรรคก็มีสี่ครั้งนะครั้งละหนึ่งขณะจิตครับอริยผลก็มีสี่ครั้งครั้งละสองสามขณะจิตครับส่วนที่การที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยยังไม่เรียกว่าอาริยมรรคครับนะเรียกว่ามรรคปฏิปทาครับเป็นการปฏิบตัติการดําเนินไปตามเส้นทางของมรรคครับนะตอนที่อริยมรรคเกิดจะเกิดขณะเดียวเองครับแล้วมีสี่ครั้งเท่านั้นครับ คำถามที่สามนะครับก็คือ เ, อ เ, เมื่ อ, อผมมีฟังเทปซีดีของหลวงพ่อหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่สิบหกสบเจ็ก็เห็นท่านได้ที่แจงในเรื่องของ ต, ต้นไม้ต้นไม้คือการปฏิบัติลากของมันความหมายก็คือสติใช่ไหมครับลากลากของต้นไม้นี่ก็คือต้อ ง, องเริ่มจากสติก่อนต้องดูว่าหลวงพ่อสรนเรื่องอะไรสอนคนไหนนะครับคําเปรียบเทียบ แต่และครั้งแต่และ ว, วาระอาจจะแตกต่างกันครับนะแต่รวมแล้วก็คือสตินี่สาคัญมากครนะมีสติแล้วก็พัฒนาศีลขึ้นมามีสติพัฒนาสมาธิมีสติพัฒนาปัญญาขาสติก็ไม่มีอะไรเหลือเลยครับแล้วเห็นรูปแบบรูปหนึ่งที่เขาปฏิบัติกันเริ่มต้นมาจากเมตานี่ความหมายว่าเป็นยังไงครับเมตตาเป็นวิธีทําสมถกรรมฐานแบบหนึง่งครับนะในสี่สิแบบจเจริญเมตตา จเจริญเมตตาไปทำความรู้สึกเป็นมิตรยังเราทำความรู้สึกเป็นศัตรูกับคนนี้จิตไม่สงบงับ้เรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นนี่จิตสงบใช่ไหมเนี่ยจิตสงบได้สมาธิงั้นเริ่มต้นจากเมตตาได้ได้สมถะนะพอจิตสงบแล้วก็มาแยกธาตุแยกขันเดินปัญญาต่อขอบคุณคเมตตาเฉยเฉยไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะรับ182 มาส่งการมานครั้งที่แล้ประมาณปีหนึ่งแล้วคะก็ช่วงนี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีความเป็นกลางกับสภาวะมากขึ้นแล้วก็มันเป็นทุกข์อะไรต่างๆนี่น้อยลงนะคะแต่ว่าของครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่เคยมาส่งเนี่ยจะเห็นสภาวะที่มันมีไหวๆยิบยิอยู่แต่ว่าหลาังจากที่กลับไปก็ไม่เห็นสภาวะนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าเสื่อมลงไปหรือเปล่านะคะอย่าสนใจ <Okay. S 2> นะจิตนะเห็นสภาวะอยู่ตลอดเวลา สภาวะจะหยาบหรือสภาวะละเอียดนะก็สอนไตรลักษ์เท่าๆกันไม่จําเป็นว่าต้องละเอียดตลอดหรอกในสติปัฏฐานท่านถึงพูดถึงธรรมะที่ละเอียดธรรมะที่หยาบใช่ไหมธรรมะที่ใกล้ธรรมะที่ไกลธรรมะภายในธรรมะภายนอกอะไรย่างเงี้ยทั้งหมดนั้นเสมอกันหรอกแล้วก็เท่าที่สังเกตตัวเองเนี่ยจะมีความยึดมั่นในความคิดเห็นแรงมากก็คือจากที่ไปไปไปสังเกตการคอร์สปฏิบัติธรรมคอร์สหนึ่งแล้วรู้สึกว่า คำสอนที่เขาอธิบายเนี่ยมันขัดกับความความรู้สึกของเราก็คือว่าสภาวะที่เกิดเนี่ยเขาบอกให้กําหนดบัญญัติให้ทันซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วสภาวะที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นความลื่นไหลซึ่งมันมีสภาวะหลายๆอย่างเกิดต่อเนื่องกันคือเคยพยายามจะกําหนดบัญญัติให้ทันแต่ว่าพบว่าถ้าเราพยายามจะไปกําหนดบัญญัติเนี่ยมันเหมือนกับมันก็จะขาดช่วงเพราะว่ามันจะต้องเป็นนึกว่าไอ้สภาวะที่เกิดขึ้นนั้นมันเรียกว่าอะไร ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็ไม่ถูกกับจริตว่ามันไม่น่าจะใช่ก็ช่างเขาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะอนุสัยของตัวเองใช่ไหมคะเป็นนะคือเรายึดตือในความคิดความเห็นของเราแดงค่ะแล้วจะแก้ไขยังไงรู้ทันอดิริรู้ทันเอานะส่วนใครเข้าภาวนายังไงเข้าปฏิบัติยังไงช่างเขาเถอะดีกว่าเขาไปเป็นโจรคือคือตรงนี้มองมองตรงนี้ก็เห็นเห็นอยู่แล้วก็รู้สึกว่า มันก็มีอยู่ช่วงสองสวันแรกก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากกับที่ทําไมเราถึงมีความคิดเห็นแรงมากทั้งที่ปรองใจว่าในเมื่อตั้งใจจะเข้ามาเข้าคอร์สเนี่ยก็คือจะไปฏิบัติตามที่เขาสอนแต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่มันไม่ยอมวางตัวนี้นะคะแล้วก็ต้องเลือกเอานะ <Okay. S 2> อันไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปภ <Okay. S 2> าวนาแต่ละคนต้องเลือกเส้นทางที่ถูกจริตของตัวเอง <Okay. S 2> ไปฝืดฝืดฝืนฝืนกิเลสเกิดเปล่าเปล่า okay. กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่จะถาม ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่าการนั่งสมาธิค่ะคือทําสมาธิเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจค่ะว่าที่ผามาเนี่ยนั่งสมาธิได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่เคยมีสภาวะที่จะสงบถึงที่ว่าที่จะเรียกว่าเป็นปฐมฌานได้มีอุบเไปขาเนะคะีค่ะก็เลยคนรุ่นเรานี่ยนะทำฌานยากทําได้น้อยคนนะงั้นไม่มีสมาธิระดับฌานก็ยังไม่ต้องกลุ้มใจหรอก E เอาค น, นี้กาสมาธิให้ได้ก็แล้วกันแปลว่าก็คือรู้ลมหายใจเป็นครั้งครั้งที่มันรู้<ม>ได้เท่าที่นั้นเองแล้วมันก็จะแวบไปคิดก็ดูมันไปอย่างนั้นดีตรงที่รู้ว่าแวบไปคิดนั่นแหละค่ะ e สมาธิจะเกิดขึ้นก็ตรงนั้นแหละค่ะ e แล้ ว, ลวสมาธิที่ดีก็คือสมาธิที่จิตตั้งมัน่นงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตแวบไปคิดนะสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้น ถ้ารู้ลมหายใจไปนะจิตไปสงบอยู่กับลมลมค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะเหลือหยุดอยู่ที่เดียวกลายเป็นดวงสว่างให้มันไปอยู่กับดวงสว่างนนี้เป็นสมถะเป็นสมาธิชนิดแรกสงบอย่างเดียวแต่งโงแ่แล้วแล้วสภาวะที่เป็นสว่างนี่ไม่เคยสัมผัสนะแต่ว่าสภาวะที่มันเป็นมีความรู้สึกว่ามีความเย็นที่กลางอกเนะะี<ม>่ยค่ะจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าได้อย่างนั้นแหละดีแล้ว แต่เกิดก็ช่างมันไม่เกิดก็ช่างมัน ก, นะก็คือรัรอบรู้เฉยๆว่ามันมีอยู่ะคะแค่นั้นแหละห้าสิบหกครั บ, รบข่าวหลวงพ่อนะฮะส่งการบ้นในรอบปีครึ่งครับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาก็อาศัยรูปแบบในการจนมนเช้าแผ่เมตตาแล้วก็สมน์ก่อนนอนออก็มีสภาวะเพ่งเป็นครั้งครั้งก็เรียนรู้มาตลอดแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆ แต่ระยะหลังนี้ก็รู้สึกว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเหมือนกับเราไปยึดติดมันมากเออก็ไม่ไม่ธรร ม, มเลิกได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดว่ามันมันเป็นแนวทางที่เราปฏิบัติมาโดยตลอด mm hmm. แต่ขณะนี้ไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าคนคนจะปล่อยบ้างไหมฮะหรืออะไรพวกนี้ทําไปให้สม่ําเสมอนะของดีไม่จําเป็นต้องเลิกหรอกครับผมนะมันไม่ใช่ของชั่วครับนะทําไปนั่นได้อย่างน้อยเราตั้งสัจจะแล้วเราตั้งใจทํา ตลอดเวลาเราได้บารมรนะีได้อธิษฐานนะบารมีครับบางทีก็ขี้เกียจขี้คลานก็ฝืนใจสวดไปอีกได้วิริยาบารมีครับบางทีไม่ค่อยจะสบายอยากนอนเต็มทีแล้วก็อดทนทําไปสวดไปได้ขันติบารมีรใช่ไหมได้บารมีตั้งโยอนะจะทิ้งทำไมล่ะที่ไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีเราเราเร า, เราทำแล้วรู้สึกเหมือนกัเป็นงานเพ่งมากแล้วมันจะเป็นเพ่ง<อ>เรารู้ว่าเพ่งเงานะแล้วค่อยๆ ค, ค, คลายออก บเบื้องต้นเพ่งก่อนทุกคนแหละครับนะการปฏิบัติเบื้องต้นมันตึงก่อนทุกคนแล้วค่อยๆ ค, ค, คลายออกครับนะเบื้องต้นจะให้พอดีมันจะหย่อนไปอีกประการหนึ่งก็คือว่าใ น, ในการดําเนินชีวิตประจําวันก็หลังๆนี่ก็จะมีสภาวะที่ว่าเราพูดอะไรมากหรือปฏิบัติภารกิจบางอย่างต้องการให้รู้ล่วงก็เห็นว่ามันเป็นอัตราตัวตนที่แข็งแล้วก็หนักเป็นทุกข์มากเออนั่นแหละทุกข์แล้ว เ, ออ เ, ร เ, รเราคนจะหยุดหรือคน เพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นอนุสัยหรือเปล่าครับทำไปทำหน้าที่ไปนะแต่ไม่ได้ทำด้วยความอยากครับตัวนั้นเราทำเพราะอยากนะให้รู้ทันใจที่อยากนะเพ้าใจเป็นกลางแล้วมีหน้าที่ต้องทำทำเต็มที่เลยครับครับครับห้าสิบเจ็ดกาบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสส่งกันบ้านจิตมันฟุ้งเยอะค่ะแล้วดูมันฟุ้งมันฟุ้งซ่านใช่ค่ะแล้วก็ดูไม่ออก พอดูไม่ออกก็เลยพยายามดูกลายแต่ก็ใจไม่ชอบความฟุ้งซ่านรู้ไหมรู้เป็นบางครั้งค่ะนะให้รู้ทันที่จิตอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตของเราไว้อย่างฟุ้งซ่านเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบน ะ, ะใจจะเป็นกลางสงบทันทีเลยแล้วช่วงนี้เข้าใจว่าเหมือนเห็นผู้รู้คือเหมือนเขาลอยลอยอยู่ข้างหน้าอันนั้นคือส่งออกนอกหรือส่งออกนอก จิต oh. ไปไปค้างอยู่ข้างนอกเนี่ยใช่ค่ะไม่เอานะพยายามกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจของเราเนี้ยคือถ้าถ้ารู้อย่างนั้นแล้วเขาจะหายไปใช่ป่ะคะถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าออกนอกเขาจะกลับเข้ามาเองแต่ถ้าไปยินดีพอใจมันออกนอกตลอดเลยเขาเนี้ยรู้สึกไหมมันลอยๆใช่ค่ะมันลอยๆแล้วเห็นไนดะ้ร่างกายมันเดินจะเห็นเนี้ขอบคุณค่ะไม่เอานะมันออกนอกจิตไม่เข้าฐานไงที่หลวงพ่อเรียกไม่เข้าฐานสามสิบหก มาส ก, การเจ้าค่ะคือหนูภาวนาแบบของหลวงพ่อมาปีนี้ปีที่สามแล้วนะเจ้าค่ะสองปีแรกหนูว่ามันก็เป็นไปตามสเตปที่เรียนมาจากซีดีของหลวงพ่อค่ะปีที่สามนี่หนูรู้สึกว่าเป็นปีที่ล้มลุกคลานอย่างแสนสาหัสไม่ใช่ปีทองเหรอ <laughs> มันเหมือนกับว่าหนูภาวนาไปทางไหนมันก็ผิดหมดเลยอย่างเนี้ยค่ะถูกเลยนั่นะอละถูกเป๊ะเลย จนหนูรู้สึกพอหนูรู้สึกว่านี่หนูไม่ได้ภาวนาหรือยังไงพอหนูเช็คหนูก็ยังภาวนาอยู่แต่มันเหมือนกับมันทำอะไรก็ผิดนะแต่ไม่ทำผิดมากกว่าแล้วการที่หนูเข้าใจว่าการที่หนูเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหนูหย่อนในรูปแบบพอหนูก็คิดว่าทำยังไม่พอหนูก็พยายามทำในรูปแบบให้เยอะขึ้นเป๋หมดเลยค่ะหลวงพ่อแล้วทาด้วยโลก ใจเป็นโลบนะให้รู้ทันใจที่โลบแล้วก็ทำในรูปแบบไปอย่างแท้หนูทำสมาธิอยู่นะคะแล้วขนาดที่ทำเนี่ยค่ะหนูเห็นตัวเองเนี่ยมันหลับตลอดเวลาเนียเท่ากับ ว, ว่าหนูไม่ได้สมาธิแต่หนูกลายเป็นว่าหนูหลับอย่างมีสติใช่ไหมคเจ้าคะดีนะแล้ว <laughs> แปลว่าอันนี้มันเอามาใช้ในการเป็นรูปแบบได้ไหมเจ้าคะได้ ได้เหรอคะเออคือจริงจิตมันสงบอยู่นะมันไม่ขาดสติหรอกะจิตมันสงบนะอะไเลยนึกว่ามันหลับมันไม่ดิ้นรนกระโดกระเดกขึ้นมานะบางทีภาวนานะบางคนร่างกายหลับเลยนะจิตข้างในไม่หลับหลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งไปภาวนาด้วยกันเวลาภาวนาแล้วก็เราดูข้างนอกเนี่ยหลับเลยเหยียดแข้งเหยียดขาหัวห้อยนี่นะ ใครๆเห็นแล้วหัวรอกเลยครูบาอาจารย์บอกอย่าไปหัวเรากเขานะจิตเขาตรงเร้แอย่างนี้เลยนะเขาไม่ได้หลับหรอกเขาทิ้งกายอย่างแท้หนูเข้าใจเองว่าแท้หนูนั่งหลับอย่างมีสติงั้นหนูเป็นนอนหลับอย่างมีสติเลยไม่ดีกว่าไม่เหมือนกันหรอกน <laughs> อนหลับ <laughs> อย่างงั้นเดี๋ยวอ่อนแอกิเลสมันหลอกเนาะเพราะหนูเคยจะลองเปลี่ยนว่าแท้นั่งหลับอย่างมีสติงั้นหนูจะเปลี่ยนแบบนอนให้มันมีสติ พอหนูล้มลงนอนที่ความคิดลุมเข้ามาจนหนูทำไม่ได้นั่นแหละจริงหมันหลอกเอาตรงนั้นมันไม่ได้หลับหรอกจริงจมันรวมลงไปมันสงบลงไปงั้นหนูยังทําต่อได้ใช่ไหมคะทำสิถึงบอกว่ามันน่าจะปีทองมั่งพวกบางคนนะภาวนาดีแต่ไม่รู้นะมีนะเพราะมันจะคิดว่ายังทําไม่พออยู่ตลอดเลยเจ้าค่ะให้รู้เอาใจโลภก็รู้เอาเอาเบอร์สี่สิบน้มัสกัด นัสการครับหลวงพ่อครับส่งการบ้านรอบที่สองนะในรอบสิบเดือนครับปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็เดินชงกคมวันละประมาณสิบนาทีครับแต่ว่าบางวันเนี่ยมันหลงไปทั้งวันเลยครับือมันหลงไปทั้งวันเลยครับหลงไปทํางานหรือเปล่าหรือหลงไปอย่างอื่นบางที่เราทํางานหรืออะไรเงี้ยมันก็มันบางทีมันหายมันหลงไปนานมากครับคือถ้าไปทํางานนะเราจดจ่ออยู่กับงานเนี่ยต้องยกเว้นเลยนะ อย่างเราสมมติเราไปเขียนซอฟต์แวร์เงี้ยจะมาดูจิตดูใจดูกายอะไรเขียนไม่ได้เลยต้องจดจ่อกับงานหลงอยู่กับงานไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าหลงไปเรื่องอื่นอ่ะเวลาทํางานแท้ๆหนีไปคิดเรื่องอื่นอันนี้จิตฟุง้งซ่านอันนี้ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เช่น อ, อยู่กับพุทโธพอจิตหนีไปคิดเรารู้มันจะทําให้ไม่หลงยาวผมอยู่กับลมหายใจนะครับบางครั้งก็ใช้ลมดูลมหายใจบางครั้งก็ดู พุทหายใจเข้าพุทแล้วก็หายใจออกโทรครับไม่ทราบว่ามันอย่างนี้มันซับซ้อนกันไหมครับไม่เป็นไรบางคนก็ใช้หลวงพ่อก็ใช้อย่างนั้นตอนเด็กๆครับประเด็นที่2นะครับ จ, จุดสําคัญนะอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะมันจะทําให้เวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่หลงนานอข้อ2ว่าไงข้อสองคือบางทีเราฟังเรื่องราวชีวิตของคนอื่นเนี่ยครับ เราเหมือนกับจะอินเข้าไปแล้วเรากเศร้าตามเขาอย่างนี้ครับอเราต้องทำยังไงครับหลวงพ่อให้มีสติรู้ทันนะอย่าไปอินอินแล้วตกนรกทันทีเลยเกิดตอนนั้นหัวใจวายนะตกนรกนะทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่เรื่องเราเลยอย่าให้อินนะ่ะขอบพระคุณครับผู้หญิงเป็นเยอะนะโรคอินอนะ่ะแล้วบางคนเคยเถียงกับหลวงพ่อด้วยหลงออวหลงพ่อบอกอย่าอินไม่ได้ดิฉันไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกรรมลราเออเ อ, อ, เ อ, อไอ้ไม้ละกรรมไปเอะ <laughs> ไปอินมันทำไมอินแล้วไม่ใช่ว่าเขาทุกน้อยลงเมื่อไหร่เนาะกลายเป็นเพิ่มคนที่มีความทุกข์ให้มากขึ้นอ้าวคนสุดท้ายร้9ยนี่นั่งเก้าอี้อยู่นี่นั่งเก้าอี้กราบนำ้ำรสการหลวงพ่อนะคะมาหลายครั้งค่ะแต่ไม่เคยได้ส่งกันบ้านเพราะว่าวันนี้จะมาขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะมไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกจริตกับตัวเองไหมคะเห็นกิเลสไหม บางครั้งค่ะแล้วเวลาความรู้สึกอะไรแรงๆเกิดขึ้นรู้ทันไหมบางครั้งแรงโลภแรงๆอ๋อรู้ทันค่ะรู้จักใจลอยไหมรู้จักค่ะเออนะใจลอยบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยค่ะให้บ่อยๆไว้บ่อยดีกว่าละคะบ่อยดีกว่าถ้าไม่บ่อยแสดงว่าใจลอยนานค่ะใจลอยนานแล้วชั่วโมงหนึ่งเพิ่งใจลอยหุนเดียวโอค่ะเราประเภทไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะ นาทีนึงเอาให้ได้ใจร้อยห้าหกครั้งเลยยิ่งดีเราต้องตามไปนับมันไหมคะหลวงพว่อไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> มีนะบางคนไปนับนะเนี่ยพระวัดนี้แหละเข้าไปในคลังไปเจอที่กดนับเลขอะ <c oughs> โยมซื้อมาถวายทำไมเลไยังไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> เอาไปนั่งถ้าเสลอกดเสือกดเสลอกดในสุดมือมันชินอ่ะยังไม่ต้ เผลินาทีหนึ่งแล้วกดไปเป็นสิบทีนะใช้ไม่ได้ค่ะหลวงพ่อคะแล้วของหนูนี่ควรจะหนูอย่าไปอย่าไปบังคับจิตบังคับใจนะอย่าไปบังคับจิตใจให้รู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆถ้าดูจิตไม่ออกดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจขยับไปก็ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหน้านิ้คิ้วขมวดดูร่างกายให้เยอะๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อยังเหลือเวลานิดหน่อยมีใครไหมเบอร์อะไรลานเนี่ยเบอร์ห้าสิบหนึ่งเชิญมีคนเดียวทุกที้ปฏิบัติก็แต่ก่อนนี้จะจะใช้วิธีว่ารู้ ร, รู้รู้ทุกแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเห็นพวกตัณหาค่ะจะใช้วิธีละตัณหาไม่ต้องละนะเอาแค่รู้ว่ามีตัณหาเกิดขึ้นเขาล ะ, ะของเขาเอง ถ้าจงใจละอ่างกายเป็นอยากละเองตัณหาซ้อนเข้าไปอีกมันจะอยากมากเกินไอมันจะยิ่งอยากเนี่ยนี่เราทําสมาธิเฉยๆก็พอใช่ไหมคะทำสมาธิลงไปมันก็รู้สึกว่ามันรู้มากขึ้นสมาธิทําให้ขยายการรับรู้ได้ชัดขึ้นใช่ถ้าแค่นี้เราเราทาเน้นทําสมาธิทําสมาธิได้นะทําไว้แต่ว่าไม่ทําให้จิตนิ่งอยู่กับที่นานๆ ให้สงบพอมีเรี่ยวมีแรงรู้สภาวะได้ชัดรู้สภาวะได้ไหวแล้วตามดูสภาวะเลย<า>นะจิตถึงฐานไหมขณะนี้จิตโลง่งโล่งว่างๆไหมมันมันรู้สึกมันมันรู้รู้กายอยู่รู้รู้รู้จิตเป็นธรรมชาติไหมตอนเนี้ย<ภ>เหมือนจิตสมัยที่ยังไม่ภาวนาไหมหรือมันโปร่งกว่า <laughs> น่าจะโปงกวามันมันไม่เป็นธรรมดาไม่ธรรมดาเออมันมันโล่งๆว่างๆโปร่งๆอ๋อมันโล่ลงเกินไปเออมันไปติดอยู่ในความสบายอะไปติดไอ้ตัวที่เก้าวนะจันฮะตัวตัวที่มันติดมันหายไปอย่างนั้นใช่ใชนะกลับเข้ามารู้สึกในตัวเองนะ <c oughs> กลับเข้ามาที่กายเนี่ย้มันกระจายออกนอกไปไม่เข้าฐานหรอกก็ทําสมาธิมากขึ้น สมาธิได้แต่อย่าให้ไหลออกนอกนะะให้ทวนเข้ามาหาตัวเองะถ้าออกนอกเดี๋ยวยิ่งว่างโล่งว่างออกไปข้างนอกใหญ่เลยนึกออกยังว่ามันผิดธรรมดารู้สึกไหมมันโล่งโล่มันโปร่งโปงกว่าคนทั่วๆไปรู้สึกไหมตอนนี้กับตะกี้ต่างกันไหมต่างเออต่างเห็นไหมอย่างตะกี้ก็เป็นความปรุงแบบหนึ่งนะเออเน้นปรุงมากไปอันนี้อันนี้ปกติแล้ว แน่นแน่นไหมไม่แน่นค่อยดูไปนะค่ดูไปอย่าให้ไปค้างในว่างๆก็แล้วกันะก น, นะสอนนะต้องหาคำพูดมากมายเลยอธิบายยากไม่ใช่ <c oughs> หาวิธีพูด <c oughs> อ่ะมีอีกไหมมีอีกไหมของของคุณเบอร์ห้าสิบหนึ่งนะดูไปสบายๆนะสบาย อาหกสิบเก้าหกสิบเก้าอยู่ข้างหลังฝึกไปแล้วมันมีความสุขนะแต่อย่าให้ติดในความสุขส ก, การครัหลวงพ่อใจโปร่งๆแล้วมันเพลินสบายหลวงพ่อคะโยมจะถามว่าปกติเนี่ยเขาใส่ฐานหมดหรือมังอาฝืนใจถามไปคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ได้ยินหรอกหลวงพ่อแก่แล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฐานจนได้อ้าสรงมา ใครรู้สึกว่าจิตฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกไหมสบายแต่ฟุ้งฟุ้งนะจิตที่ฟุ้งมีความสุขนะสบายเบาๆมีความสุขตัวนี้เรียกว่าโลภามูลจิตเป็นจิตที่ประกอบด้วยโลภะประกอบด้วยราคะมันเพลินมันเพลิดเพลินฟังธรรมะแล้วก็เพลินมีความสุขไปเราไม่รู้ทันนะตัวนี้ก็เป็นโลภามูลจิตแล้วนะมันฟุ้งมันประกอบด้วยโมหะนะ ว่าไปโยมจะถามว่าโย ม, มทำในรูปแบบทุกเช้านะเจ้าคะ่ะทีนี้ระหว่างวันเนี่ยโยมเผลอทั้งวันเลยเจ้าคะ่ะบางทีมันรู้รู้สึกตัวอีกทีก็เย็นไม่ทราบว่าจะต้องอะไ<ง>เรเราทำประกอบไปอย่างนี้ได้พุโทโธไปทั้งวันก็ได้โนะยมไม่ชอบ พุทโธฮายโยมชอบลมหายใจอ่ะเหลอหายใจทั้งวันเลยหายใจแล้วรู้สึกบางทีก็กลางวันทํางานบางทีก็ลมหายใจเสร็จแล้วเราก็ต า, ตามตามเราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่เออเก้าอี้ที่มันแข็งมันนิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เผลอหลงไปคิดก็รู้ว่ามันหลงไปแต่มันก็ยังยังรู้รู้ว่าลมหายใจ ย, ยังยังอยู่แต่ว่าไม่ไม่ทราบ ว, ว่ามันลึกยาวแต่ก็จะลืมลืมตรงที่เรานั่งไปเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้นี่ถูกไหมเจ้าค่ะพยายามรู้อิริยาบถไปที่กว่านะรู้ลมแล้วมันหลงลมค่ะมันหลงไปกับลมนั่นแหละ รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ารู้กระลมแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ยิงกะลมอะ ไ, ไรนะพยายามกระ ด, ดิกกระดิกเคลื่อนไหวเห็นร่างกายพยายามหน้า<อ>เห็นร่างกายยิม้มเห็นย่างร่างกายหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยคอยดูร่างกายมันเรื่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อคะเราไม่ทราบว่าโยมจิตตื่นบ้างอย่างเจ้าค่ะหน้าตื่นได้ก็หลับได้ไม่ยากอะไรแล้วก็อีกเรื่องคือเอ่อยมไปมีอยู่ครั้งนึ่งยมไปทำฟันแล้วก็ ฉีดยาชาขุดหินปูนมากนะฮะเสร็จแล้วโยมก็ลองลองเออดูซิว่ามันทนเวทนาได้ไหมโยมก็ตามลมหายใจไปก็รู้สึกว่ามันเบาสบายมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ากายมันอยู่ขอบขอบเราแล้วก็ความเจ็บปวดมันก็อยู่อยู่ตรงจุดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยอะไรรู้หมดละฮะแต่ว่ามีเขารู้สึกว่าเรานอนทําฟันวันนั้นมีความสุขมากไม่เจ็บไม่อะไรมันมีความสุขกับมันอพราะนั้นจิตมันมีสมาธิถูก ถูกนะแต่ว่ามันมีสมาธิหนุนหลังอยู่แล้วอย่างนี้เท่ากับโยมเห็นแยกขันแยกได้บางอย่างเจ้าค่ะก็แยกสิเจ้าค่ะเนี่ยทำฟันเนี่ยเป็นเวลาที่ภาวนาดีนะเวลาทําฟันก็โยมจะทดลองดูมันตื่นเต้นดีเจ้าค่ะหลวงพ่อคะฮะแล้วอย่างนี้สภาวะอย่างนี้ใช่ดูเวทนาไหมเจ้าค่ะใช่แล้วแล้วถ้าเวลาหน่อยเราเจ็บป่วยมากอะไรอย่างนี้เราเราก็ดูไปอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ แต่จุดอ่อนของคุณนะคุณเกาะตัวรู้แรงไปเกาะตัวรู้แรงไปแล้วเพ่งไวแรงไปแล้วคุณจะทํำยังไงเจ้าค่ะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านั้นแค่ะแต่ถ้าถ้าทำไม่ได้ได้อย่างนี้ก็ยังดีขอการบ้านด้วยเจ้าค่ะให้รู้ทันใจที่เราชอบบังคับตัวเองอะ่ะให้รู้ทันมันมีไหมชอบบังคับคนอื่นไหมใช่เจ้าค่ะ เออนั่นแหละไปดูกับตัวเองยังบังคับเลยนะแต่บังคับคนอื่นมากกว่านะเนี่ยคนรอบข้างพยักหน้าพร้อมๆกันหมดเลยอย่างนี้ก็คือเวลาเราบังคับคนอื่นแล้วเราก็มามองตัวนี้หรือไงเจ้าคะให้รู้ทันสี่ใจเราว่าไปลุกลานเขาแล้วเจ้าคะไปดูตัวนี้น้าแล้วจะน่ารักกว่านี้อีกเจ้าคะ่ะเนี่ยที่บอกให้เพราะสงสารคนข้างเคียง อ้าวเชิญกลับบ้าน